สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่บัา น, นครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่หกสิบแปดบทเรียนจากการรื้อดาดฟ้าพี่นงครับพระโอษณะของพระเจ้าในวันนี้อยู่ในพระธรรมมาระโกบทที่สองนะครับข้อที่หนึ่งจนถึงข้อที่สิบสองครับโปรดฟังโอษณะของพระเจ้าครั้นล่วงไปหลายวันโปรงได้เสด็จไปในเมืองคาปนาอุมอีกและคนทั้งหลายได้ยินว่าโปรงประทับที่บ้านและคนเป็นอันมากมาชุมนุมกันจนไม่มีที่เสรับ จะเข้าไปใกล้ประตูก็ไม่ได้พระงจึงเทศนาข่าวนั้นให้เขาฟังแล้วมีคนนําคนง่อยคนหนึ่งมาหาพระองค์มีสี่คนหามเมื่อเขาเข้าไปให้ถึงพระองค์ไม่ได้เพราะคนมากเขาจึงรื้อดาดฟ้าหลังคาตรงที่พระองค์ประทับอยู่นั้นและเมื่อรื้อเป็นช่องแล้วเขาก็หย่อนแคร่ที่นอนที่คนง่อยนอนอยู่เมื่อพระเยซูทรงเห็นความเชื่อของเขาทั้งหลายทรงจึงตรัสกับคนง่อยว่าลูกเ อ, อ๋ยบาปของเจ้า ได้รับอภัยแล้วแต่มีพวกธรรมาจารย์บางคนนั่งอยู่ที่นั่นแต่เขาคิดในใจว่าทําไมคนนี้พูดเช่นนี้มินประมาทเจ้านี่ใครจะยกความผิดบาปได้เว้นแต่พระเจ้าเท่านั้นและในทันใดนั้นพระองค์ทรงทราบในพระทัยว่าเขาคิดอย่างในใจอย่างไรจึงตรัสกับเขาว่าเหตุไฉนท่านทั้งหลายจึงคิดในใจอย่างนี้เล่าที่จะว่ากับคนง่อยว่าบาปทั้งปวงของเจ้าได้รับอภัยแล้วและว่าจงยกแค่เดินไปเถิดนั้น ท้างไหนจะง่ายกว่ากันแต่เพื่อทั้งหลายจะได้รู้ว่าบุตรมนุษย์มีสิทธิอำนาจในโลกที่จะโปรดยกความผิดบาปได้พระองค์จึงตรัสสั่งคนง่อยว่าเราสั่งเจ้าว่าจงลุกขึ้นยกแคร่ไปบ้านของเจ้าเถิดคนง่อยได้ลุกขึ้นแล้วก็ยกแคร่ของตนเดินออกไปต่อหน้านนคนนั้งปวงคนนั้งปวงก็ประหลาดใจนักจึงสรรเสริญพระเจ้าว่าเราไม่เคยเห็นเช่นนี้เลยพี่น้องครับเปเยชูทรงรักษาคนง่อยนะครับ ในพระคัมภีร์ได้บันทึกว่าหลังจากที่เพีเยชูเสด็จไปในหมู่บ้านต่างๆทั่วคาเปร์นาอุมเพีเยชูทรงรักษาผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยช่วยให้คนตาบอดเห็นได้ทรงอบรมสั่งสอนชาวบของพระองค์ทร ง, ท ร, งทรงเลี้ยงไม่เข้าไปในตัวเมืองเว้นไว้แต่ในเมืองในวันสบาโตเท่านั้นทรงเข้าไปในธรรมศาลามัทธิวไม่ได้ระ บ, บุว่าเพีเยูทรงลงเลือที่ไหนเพื่อจะกลับมาที่คาเปรนาอุมครับ แต่มัตติวแต่มาลโกบันทึกอย่างนี้นะครับว่าทันใดที่คนทั้งหลายได้ข่าวว่าพระองค์เสด็จมาแล้วก็มาชุมนุมกันนะครับที่บ้านที่พระองค์ประทับอยู่บ้านหลังนี้นะครับน่าจะเป็นบ้านของเปโตกับแอนดรูนะครับตามที่ทราบจากนักโบราณคดีบ้านของเปโตนั้นก็มีหลายห้องสร้างขึ้นบนหลังกว้างนะครับมีหลังคาคุมระเบียงมาลโกเล่าว่าคนเปนมากนั้นชุมนุมกันในบ้านหลังนั้นจนไม่มีที่จะรับจะเข้าใกล้ประตูก็ไม่ได้ คนเหล่านี้เป็นใครครับคนเหล่านี้เป็นคนเก็บใครได้ป่วยคนที่พาคนป่วยมาก็จะเป็นชาวบ้านชาวเมืองผู้อยากรู้อยากเห็นอยากจะมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแคนเหล่านี้นะครับก็ยัมีพวกฟาริสีนะครับซึ่งเป็นผู้นําของยิวประจําธรมธรมศาลาซึ่งถูกส่งมาจากเยรูซาเล็มครับและมีพวกบาเรียนนะครับซึ่งเป็นพวกที่ส้อนบทบัญญัตินะครับของพระเจ้าเป็นรอบเป็นผู้รอบรู้ทางด้านบทบัญญัติจากทุกเมือง ในแคว้นกาลิลีแคว้นยูเดียและเยวซมปิปะนกันมาขณะที่เปเยซูทรงกำลังสั่งสอนอยู่นั้นตรงตอบปัญหารักษาโรคก็มีชายสี่คนครับหามเพื่อนของเขาซึ่งเป็นคนง่อยไม่สามารถเดินได้พวกเขาเข้ามาในบ้านไม่ได้เพราะว่าประชาชนเยอะแยะไปหมดครับมาโกเล่าว่าทั้งสี่คนนี้รื้อดาดฟ้าหลังคาตรงที่รงประทับแต่เมื่อรื้อเป็นช่องแล้วก็หย่อนแค่ที่คนง่อยนอนลงมา ลูกาเล่าว่าพวกเขาขึ้นไปบนดาดฟ้าหลังคาตึกย่อนคนง่อยลงมาทั้งที่นอนเลยครับตามช่องกระเบื้องหลังคาคุมห้องโถงใหญ่ของตัวบ้านของคนยิวนั้นทำจากวัสดุแข็งแรงซึ่งเป็นคานไม้เนื้อแข็งพาดขวางจากด้านหนึ่งถึงอีกด้านหนึ่งครับเป็นระยะห่างประมาณสามพุทธระหว่างช่วงห่างของไม้นะครับก็ใช้ไม้ร ะ, ระแนงนี่ครับไขว้รอบกันแลวกอดินเหนียวตลอด บางครั้งก็ปลูกยาทับบางครั้งก็ปลูกกระเบื้องทับแต่ใช้ดาดฟ้าเป็นที่นั่งรับลมยามเย็นได้ไม่ได้รับอไม่ได้เป็นชั้นนะครับดาดฟ้าแบบบ้านเรานะครับด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กพี่น้องครับก็ไม่รับน้ําหนักมากนะครับด้วยหลังคาระเบียงแบบนั้นเป็นโครงสร้างที่ยาบ ก, กว่าแต่ปูด้วยกระเบื้องดินโคลนปากแห้งจึงไม่ยากลําบากครับสําหรับคนทั้งสี่ที่จะรื้อหลังคาพอจะเป็นช่องลองคิดดูนะครับว่า ประชาชนทั้งปวงประหลาดใจเพียงใดที่เห็นช่องแสงบนดาดฟ้าแล้วเห็นแคร่ค่อยๆย่นออลงมานะครับพี่น้องครับเมื่อพระเยซูทรงเห็นความเชื่อของเขาทั้งห้าคนพวกจึงตรัสกับคนง่อยว่าบุรุษเอ๋ยบาปของเจ้าได้รับอภัยแล้วคนง่อยผู้นั้นกับเพื่อนเขาคงไม่คาดคิดมาก่อนนะครับว่าจะได้ยินเช่นนี้พวกเขาล้วนอยากหรือมีความปรารถนาที่จะให้คนนั้นเดินได้อีกเท่านั้นไม่ได้คิดอะไรมากแต่พระเยซูได้ศบโอ ก, กาส ี่จะชี้ประเด็นให้พวกปริสีและพวกธรรมจารที่อยู่ในที่นั้นรงให้ของแถมที่ดีกว่าครับที่ดีกว่าการรักษาโรคนั่นคือชีวิตกัน์พี่น้องครับมาลโกบันทึกว่าพวกธรรมจารย์คิดในใจว่าทําไมคนนี้ผู้เช่นนี้มินประมาทเจ้านี่ใครจะโปรดยกโทษความผิดบาปได้เว้นแต่พระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นมาโกเล่าว่าในทันใดนั้นพระเยซูทรงทราบว่าเขาคิดอะไรอยู่ในใจพระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาว่า เหตุไฉนท่าังหลายจึงคิดในใจอย่างนี้เล่าที่เจ้ว่ากับคนง่อยว่าบาปทั้งปวงได้รับอภัยแล้วแลวะเจ้ว่ากับคนง่อยว่าจงยกแค่เดินไปเถิดข้างไหนจะง่ายกว่ากันครับแน่นอนครับเปียซูกําลังบอกว่าการยกบาปนั้นยากที่สุดยากกว่าการที่จะสั่งให้คนยกแค่เดินไปแต่พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าครับเปียสุทรงกระทําได้ทั้งสองอย่างเปียสุทรงทราบว่าการที่คนอยู่นะครับเชื่อว่าต้องได้รับการอภัยโทษบาป ร่างกายจึงหายป่วยไข้เปเยซูทรงเชื่อเห็นถึงสถานการณ์ที่เราธรรมจารย์ไม่อาจโต้แย้งได้เพราะหาก้าชายคนนั้นเดินได้ย่อมเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าเขาได้รับการละพยแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเปเยซูทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงอาไปโทษบาปได้เปเยซูจึงตรัสบอกว่าแต่เพื่อทั้งหลายจะได้รู้ว่าบุตรมนุษย์มีสิทธิอำนาจในโลกที่จะโปรดยกความผิดบาปได้โทกิ้งสั่งคนง่อยว่าเราสั่งเจ้าว่าจงลุกขึ้นยกแค่ ไปบ้านของเจ้าเถิดทันใดนั้นคนคนนั้นก็ลุกขึ้นยกแคร่ของตนเดินไปลูกาเล่าว่าคนนั้นยกที่นอนกลับไปบ้านของตนพานล่องสันส่นพระเจ้าคนทั้งปวงก็อศัศจรรย์ใจยิ่งนักและเต็มไปด้วยความเกงรงกลัวสันสนพระเจ้าพูดว่าวันนี้เราได้เห็นสิ่งแปลกประหลาดมัทธิวเล่าว่าเมื่อประชาชนเห็นดังนั้นก็ตนกตกใจเราจะรู้สึกไงครับหากเราอยู่ที่นั่นในวันนั้นพี่น้องจะรู้สึกไหมครับว่าปองเป็นพระเจ้าปรงทรงเป็นพระผู้ช่วยรอด เปเยซูทรงสามารถทําการอัศจรรย์และสามารถยกโทษบาปได้ทรงมีฤทธิ์อำนาจในการทั้งรักษาและอภัยโทษบาปพี่น้องครับในเช้าวันนี้เรามีบทเรียนนะครับอย่างน้อยห้าบทเรียนด้วยกันนะครับบทเรียนแรกก็คือว่าเปเยซูทรงเตรียมของที่ดีกว่านะครับบางครั้งเราอาจจะใช้คาว่าของแถมที่ดีกว่าของที่ต้องการนี่คือสิ่งที่พระเยซูปรารถนานะครับสิ่งที่เป็น the best นะครับเมื่อวานนี้ผมก็ได้พูดไปแล้วนะครับก็คือชีวิตนิรันรครับสิ่งที่เป็น The Best ก็คือการกลับใจนะครับมากกว่าของดีที่เข้าปัจจุบัก็คือการเดินได้ประการที่สองครับบทเรียนที่สองเราเห็นถึงความเชื่อของคนทั้งห้าคนนะครับถ้าคนสี่คนที่เป็นคนหามไม่มีความเชื่อเขาก็คงจะไม่อยากที่จะหามขึ้นเข้ามาในขณะเดียวกันคนที่เป็นง้อยนั้นไม่มีความเชื่อ เขาคงจะบอกกับเพื่อนที่มีความเชื่อไม่ต้องถามฉันหรอกฉันไม่ไปนะครับไม่มีความหวังสําหรับฉันแล้วแสดงว่าทั้งห้าคนนั้นมีความเชื่อครับและความเชื่อนั้นทําให้เขาจะรับการรักษาให้หายความเชื่อนั้นทาให้รับของแถมที่ดีกว่าของที่เขาต้องการจริงๆประการที่สามครับบทเรียนที่สามก็คือว่าเราเห็นปฏิกิริยาของธรรมาจารย์นะครับที่เราเรียกว่าเป็น professional pride professional pride นี่ก็คือว่าเป็น ความภาคภูมิใจหรือความหญิงยะโสนะครับของวิชาชีพเดียวกันหรือของพวกมือโปรโทั้งหลายนะครับนำมาซึ่งการ professional jealousy นัหมายถึงความอิจฉานะครับที่มีต่อกันในวิชาชีพเดียวกันเพียงรับพระเยซูทรงทรงเป็นผู้สอนนะครับใ น, นในการเดียวกันพรงทรงเป็นผู้ที่ทำการอศิรรย์ได้เพราะฉะนั้นผลงานและปฏิภาพของพระองค์นั้นเหนือกว่าพวกธรรมอาจารย์และพวกบาเรียนมากนัก เพราะฉะนั้นพวกเขาจึงอิดฉาครับและพวกเขานั้นมีความหยิ่งในศักดิ์ศรีของความเป็นผู้สอนจึงเกิดเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้นขึ้นมาแต่เราต้องระวังนะครับเมื่อเราอยู่ในวิชาชีพเดียวกันขอให้เราอย่ามี professional pride และในเวลาเดยียกันนะครับเราอย่ามี professional j e a l o u y ต่อกันบทเรียนประการที่สี่ครับก็คือเรามาดูนะครับว่าสถานการณ์และคำตอบของพระเยซูเป็นยังไงครับแท้จริงแล้วพระเยซูทรงทราบนะครับว่าพวกเขา นะครับคิดยังไงหมายถึงพวกธรรมจารคิดยังไงครับแม้ว่าเขาคิดในใจนะครับแต่เปเยซูทรงทราบครับในขณะเดียวกันครับคําตอบของพระเยซูพรงคทรงกรับกับเขาว่าเหตุไงจึงคิดในใจพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระอภิษฎได้กล่าวให้กับเราอย่างชัดเจนนะครับว่าพระเยซูทรงโต้ตอบและทรงแสดงความจริงนะครับสัจธรรมโดยที่ไม่มีการเลือกหน้าผู้ใดเลยนะครับบทเรียนประการที่ห้าครับก็คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น นะครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคนง่อยนั้นได้ลุกขึ้นยกแท่งคนเดินออกไปและคนทั้งพวงก็พากันสรรเสริญพระเจ้าพี่น้งคับนี่คือสิ่งที่เป็นบทเรียนของเราในเช้าวันนี้เมื่อเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเรานะครับแน่นอนครับย่อมนำมาซึ่งการสรรเสริญพระเจ้านะครับไม่ใช่สรรเสริญมนุษย์ไม่ใช่สรรเสริญอย่างอื่นแต่ต้องสรรเสริญพระเจ้าและพี่น้องครับผมประทับใจมากเกี่ยวกับของแถมนะครับ จริงๆแล้วเราซื้อของหลายหลาครั้งนะครับเราหวังที่ได้ของแถมนะครับแต่ทิดจริงแล้วของแถมนั้นย่อมมีคุณค่าน้อยกว่าแต่ในครั้งนี้ครับของแถมจากพระเจ้าของแถมจากพระเยซูเป็นสิ่งที่ดีกว่าของที่เราต้องการเพราะฉะนั้นในหลายครั้งในชีวิตของเรานะครับเราได้ของแถมของแถมเราคืออะไรบ้างหากเราย้อนกลับไปถอยหลังฟังนะครับถอยหลังดูถอยหลังให้ควรดู นะครับเราจะเห็นนะครับว่าของแถม น, นั้นย่อมดีกว่าของที่เราต้องการเสมอของแถมที่มาจากพระเจ้าดีที่สุดครับอาเมน